อาคันธมนสุธานมดุฮีมังกรมังกรมดุฮีมังกรมังกรม ตัสะภควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะในอัตถกามหาปรินิพพานสูตรกล่าวถึงพระพิสุผู้บัมเพ็ญสารานิยธรรม โดยเฉพาะเอาปัจจัยของตนเนียเป็นสาธารณโภคีออให้ทานเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่ยินดีนให้ในการให้ทานแล้วก็ให้วัตถุของตัวเองเนี่ยเป็นสาธารณะแก่ท่านผู้มีศีลทั้งหลายมันก็ให้สิบสองปีเต็มโดยที่ปราศจากริษยาและก็มัชชฉรยเนี่ยนะปราศจากปราศจากความตรณี ถ้ากําจัดความริษยาความตรหนีได้บริบูรณ์นนะด้วยอนุภาพของการให้จนเป็นจิตอัธยาศัยไม่อาลัยอาวรณ์ในสิ่งของเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ที่ประสบผลอย่างมหาศาลคือเป็นที่รักของคนทั้งหลายก็คือคนที่ให้เนี่ยปกติก็เป็นที่รักของคนทั้งหลายอยู่แล้วถ้าเทียบกับคนเห็นแก่ตัวเนี่ยนะเรียก ว, ว่าคนที่ไม่เคยให้อะไรใครเลยเนี่ย รวมๆแล้วเนี่ยนะไม่เป็นที่พอใจของคนหมู่มากอาจจะว่าเป็นที่พอใจบ้างสาหรับคนที่เป็นญาติสนิทมิสหายนิดหน่อยแต่ว่าคนจํานวนมากไม่ชอบใจเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่ตรณีเป็นคนที่เรียกว่าเราใช้คำว่าเห็นแก่ตัวไม่เคยจ่ายเลยนะคนที่ไม่เคยจ่ายเลยนั้นโดยมากเป็นที่รังเกียจของของคนทั้งหลายแล้วก็ผู้ที่ให้มากอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัยสี่ สามารถหาปัจจัยสีได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแล้วก็ของที่มีอยู่เนี่ยใช้ไม่หมดเนี่ยนะปกติแล้วก็เรียกว่าแม้แต่อาหารในบาทก็ใช้ไม่หมดไปในทิศใดๆก็จะได้แต่ของที่เลิศณนะที่นั้นๆได้ของดีกว่าคนอื่นทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อไปเมื่อประสบภัยคือความหิวเทวดาก็จะช่วยขวนขวายช่วยดูแลตัวอย่างแรกที่บอกว่าอของที่มีอยู่ในบาท ที่เขาถวายพิสูนนั้นถ้าพิสูนนั้นให้แก่คนอื่นอีกของไม่รู้จักหมดจักสิน้นเล่ากันมาว่าพระติดสัเถระผู้อยู่ณเลนัสิรินี่นะอาศัยอยู่ในมหาสิริคามอยู่พระมหาเทระมีประมาณ50รูปไปยังนาคาทวีปประสงค์จะไหว้พระเจดีย์เสร็จแล้วก็เที่ยวบินทบาทในสิริคามตอนที่ไปเที่ยวบินทบาทก็ไม่ได้อะไรอะไรเลยก็พากันออกไปที่จริงก็หมู่บ้านใหญ่หอะนะ ห0าสิบรูปเดินไปบินทบาทไม่มีรูปใดได้อาหารมาเลยเมื่อพระเถระเข้าไปพบพระเถระเหล่านั้นก็ถามว่าท่านได้อาหารแล้วหรือครับปกติหมู่บ้านแถวนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ให้ทานคือบางหมู่บ้านนี้เขาก็นับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือจริงแต่ว่าเขาจะไม่ให้ทานประจำอะไรบางแห่งนี้ก็บินทบาทบางวันก็ได้เหลือเฟือบางวันก็ไม่ได้อาหารอะไรเลยเนี่ยนะ คือเขาก็แล้วแต่ใจเขานะนึกอยากใส่เขาก็ใส่ไม่อยากใส่เขาก็ไม่ใส่หมู่บ้านบางหมู่บ้านแม้แต่เมืองไทยเราก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยนะนะพระภิกษุทั้งหลายนี่ก็มีแผนสำรองก็คือหุงต้มเองเป็นต้นนะนะก็สุดแท้แต่ว่าจะทํำยังไงกันเพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้มีชีวิตอยู่ไปได้เนี่ย นะเพราะว่าในยิ่งยุคสมัยที่เขาไม่เลื่อมใสเนี่ยนะคนที่ไม่ไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมไม่เชื่อเรื่องการทําบุญให้ทานเนี่ยผู้ที่จะประพฤติสมณะธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่จะทําได้ง่ายพันไปพบพระภิกษุทั้งห้สิรูปเนี่ยไม่ได้อาหารอะไรเลยก็คือก็ถามว่าถามตร ง, ตรง น, นะท่านได้อาหารแล้วหรือยังคอรับแต่ภิกษุเหล่านั้นท่านก็ตอบว่าพวกเราจะจาริกกันไปแล้วละ่ะผู้มีอายุเดี๋ยวจะไปต่อแล้วเนี่ยนะ ก็ไม่บอกตรงว่าไม่ได้แต่บอกว่าจะไปต่อแล้วละ่ะพระเทระก็รู้ว่าพระเทระเหล่านั้นห้าสิบรูปกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ได้อาหารจึงกล่าวว่าท่านครับได้โปรดรออยู่ที่นี่แหละจนกว่าผมจะมาท่านก็ตอบว่าภิกษุเทระห้าสิบรูปวพวกเรามีห้าสิบรูปนะขนาดห้าสิบรูปไม่ได้แม้เพียงน้ําชื้นบาดเท่านั้นแต่ว่าน้ําดื่มยังไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงใหญ่กว่านั้นอีก พระเทระก็ตอบว่าท่านครับธรรมดาภิกษุที่อยู่ประจําถิ่นเรียกว่าเจ้าถิ่นนะนะเป็นผู้สามารถแม้เมื่อไม่ได้ก็รู้จักภิกษุผู้เป็นเพื่อนทางภิกษาจารย์คืออย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าแหล่งที่บิณธบัดแล้วเข้าใส่ประจําเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะอะไรเป็นภิกษุเจ้าถิ่นมาเนี่ะภิกษุต่างถิ่นอาจจะไปบิณธบัดไม่ถูกช่องไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาก็ไม่ได้อาหารแต่เจ้าถิ่นเขารู้ว่าจะต้องไปที่ไหนจึงจะได้อาหารพระเทระทั้งหลายก็ ก็มากันแล้วนะก็คือมารออยู่ส่วนพระเทระก็เข้าบ้านไปมหาอุบาสิกาบ้านใกล้ๆก็จัดน้ํานมและอาหารคอยพระเทระคือเขาเรียกว่าบางแห่งเนี่ยใส่บาตประจําประจําเฉพาะองค์เท่านั้นเองมันเคยใส่องค์เดียวก็จะใส่องค์เดียวอยู่ตลอดไปเนี่ยจะไม่มีการองค์อื่นมาก็ไม่ใส่ก็รอองค์เดียวนี่แหละมันก็พอองค์นั้นมาถึงก็ประตูบ้านก็ถวายอาหารจนเต็มบาตรพระติสเถระนั้นก็นําบิณฑบาตไปยังสํานักของพระเทระทั้งหลาย ก็กล่าวกับพระสังฆเถรีว่าโปรรับเถอะอรับเนี่ยนะไปไปหาหองค์ที่เป็นหัวหน้าพันสามากที่สุดพระมหาเถรารูปนั้นก็กล่าวว่าก็มองดูหน้าพระเถรีองค์อื่นนะนะเหลียวดูไปหาพวกเอาไงกันดีอ่าก็เลยคิดว่าพวกเราเท่านั้นเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแต่พระเถรารูปนี้ไปเดียวเดียวก็กลับมาพวกเราไปกันตั้งนานนะเดินมาทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดไม่ได้อาหารเลยองค์นี้ไปแป๊บเดียวได้อาหารมาเต็มบาทนี่มันยังไงกันเนี่ย คือพระสมัยนะั้นเนี่ยเขารังเกียจเอออาหารได้มาชอบทำไหมได้มาถูกต้องตามพระวินัยไหมไปขอเข้ามาหรือเปล่าไปทํำยังไงได้มาเนี่ยนะพระติสาก็รู้โดยอาการที่มองดูเท่านั้นนะีย่ว่ามองแค่ว่ามองดูหน้ากันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งรู้แล้วก็กล่าวว่าท่านครับพวกท่านอย่าลำบากใจไปเลยนะไม่ต้องหนักใจหรอกโปรดรับบิณฑบาต ท, ที่ได้มาโดยชอบธรรมสม่ําเสมเอเถิดอาหารนี้ได้มาอย่างถูกต้องนะไม่ผิดพระธรรมวินัยหรอก แล้วก็ถวายอาหารจนพอแก่ความต้องการแก่พระเทระทุกรูปตั้งแต่ต้นตั้งแต่องค์ต้นองค์องสององค์สามมาเรื่อ ย, ยแต่ละอาหารนั้นยังเหลือพอแก่ตัวเองฉันอาหารบาตเดียวเนี่ยแบ่งฉันได้พอห้าสิบเอ็ดรูปห้าสิบเอ็ดรูปวังนั้นเธอเมื่อฉันเสร็จพระเทระทั้งหลายก็ถามว่าถามพระติสสะเทระผู้มีอายุท่านบรรลุโลกุตระธรรมเมื่อไหร่เออบรรลุเมื่อไหร่เนี่ยขนาดข้าวบาตเดียวในฉันได้ห้าสิเอ็ดรูปเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะพระติสสะก็ตอบว่า โลกุตระของผมไม่มีหรอกครับว่างั้นไม่ไม่ปิดบังอัมพรางไม่กมิดกเมียนไม่อะไรทั้งนั้นแหละบอกตรงๆผมไม่มีหรอกครับผมผมยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยเอางั้นท่านได้ชาญหรือบอกชาญก็ไม่มีครับว่างั้นโอ้หน้าอัศจริงหนาะว่างั้นพัตติสะก็บอกว่าท่านครับผมเนี่ยบําเพ็ญสารานิยธรรมนะก็คือผมให้ทานแบบไม่อาลัยอาวอ์ไม่เตนีติดกันมาแล้วสิบสองปี ตั้งแต่เวลาที่สารานิยธรรมของผมนั้นเต็มแล้วถ้าแม้มีพิสูจน์หนึ่งแสนรูปของที่อยู่ในบาทผมก็ไม่มีหมดแต่ไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆนะไม่ไอ้สิบสองปีไม่มีความตรณีในอาหารแล้วมีเท่าไหร่ให้หมดมีเท่าไหร่ให้หมดถ้าเหลือก็ถันถ้าไม่เหลือกวันก็อดไปอะไรไปแล้วไม่เสียใจด้วยนะทำอย่างเงี้ยสิบสองปีนะติดติติติดกันสิบสองปีถ้าพลาดก็ทำใหม่เป็นยี่สบสี่ปีถ้าพลาดอีกรอบหนึ่งก็น่นนะ 36ปีนั่นะปีก็ไล่ไปเรื่อยนั่นะก็เท่ารอบ12บปีเลยนะว่าให้ทานทุกวันสะเดาะเคราะห์มาแล้ว12ปีเต็มนะนันก็ต้องพถ้าให้ทานได้ขนาดนี้ก็ไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่แน่นอนพระเะเหล่านั้นพอฟังแล้วก็สาธุสาธุท่านบุรุษท่านสาบุรุษข้อนี้ท่านเนี่ยเหมาะจริงแล้วท่านทำดีแล้วนะสมควรแล้วที่จะได้รับวิบัติเช่นนี้ อันนี้ที่อธิบายว่าปัตตาคตังนักขีติของที่อยู่ในบาทไม่หมดไปนี้อันนี้เรื่องมีเท่านี้ก่อนก็จริงนะว่าผู้ที่ให้ทานมากๆเนี่ยนะพระพิสูที่เป็นนักแบ่งปันเนี่ยนะนักให้นักปันนักแจกเนี่ยไม่เคยเห็นว่าท่านอดเลยนะท่านเดือดร้อนท่านลำบากเรื่องปัจจัยสีหายากแต่บางองค์เนี่ยแทบไม่เคยแจกอะไรไปให้แก่ใครเลยเนี่ยนะ ทำเป็นเหมือนมักน้อยสันโดษเนี่ยนะกลุ่มเราเนี่ยที่ไม่เคยให้เลยเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ชันนชันเสร็จก็พอ พ, อพอหมดไปวันวันหนึ่งก็อยู่ไปวันวันหนึ่งช่วยเหลือใครก็ไม่ช่วยใช้ชีวิตเรียกว่าเหมือนสันโดษอยู่ไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรกับใครเดือดร้อนมากเลยท่านเรานี่ยนะอาจจะไม่เดือดร้อนในเรื่องคุณธรรมภายในแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับใช้คําว่าปัจจัย4ี่เมื่อไหร่ก็เดือดร้อนเพราะการให้ทานเนี่ยถามว่าจําเป็นเฉพาะคาวาเท่านั้นไหมบอกว่าพระพิสุท์ทั้งหลายเนี่ย ผู้ที่ให้ทานมาแล้วก็ยังวิบากที่ดีก็เกิดขึ้นทัน้นผู้ที่ให้ทานแล้วเนี่ยนะทุกอย่างก็ได้แต่ของที่ไม่เดือดร้อนไม่อัตคัดไม่ขาดแคลนในเรื่องของปัจจัยสีทั้งหลายเนี่ยนะทัน้นใครที่เดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ก็ก็ก็ไม่มีอะไรมากนะก็คือไม่เคยทํามาหรือทํามาแต่น้อยเนี่ยนะก็ถ้าทํามาแต่น้อยก็เดือดร้อนอยู่แล้วทัน้นทุกอย่างในโลกเนี่ยสมควรแก่เหตุและผลทั้นคนที่เคยทํามาเยอะแต่ไม่ใช่ว่าอย่าลืมว่า การให้ทานการรักษาศีลเนี่ยเป็นบุญประเภทเพาะเมล็ดพันธุ์นนะเว้นไว้แต่ทํากับแบบทำกับผ้าหันที่ออกจากนิโรธสมาบัติเท่านั้นแหละที่มันภายในเจวันเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็เหมือนกับงานพาะเมล็ดพันธุ์บางทีก็สิปีขึ้นไปนั่นแหละถ้ารอได้ก็ไม่น่ามีปัญหา น, นะให้ทานอย่างดีให้ทานอย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะไม่รู้ว่าคิดไว้เหอะอย่างน้อยสิปีเนี่ยนะถ้ายุคนี้นะเท่าที่สังเกตดูก็ประมาณสิปี เว้นไว้ไปทำกันนาบุญชั้นดีนเนี่ยนะอาจจะเร็วขึ้นอีกหน่อยแต่ถ้าธรรมดาทั่วๆไปก็คำนวณไปเลยประมาณ10ปีเป็นต้นไปเนี่ยวิบากจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ต้องให้อย่างต่อเนื่องนะให้อย่างต่อเนื่องทำบุญเป็นปกติสักสิปีขึ้นไปหลังจากนั้นต่อไปจะไม่เดือดร้อนจะไม่ลําบากในเรื่องของปัจจัย4ี่แต่ว่าต้องทำต่อเนื่องแล้วก็ทำด้วยกุศ ล, ลจิตจริงๆนะทำด้วยหวังบุญหวังกุศล นะนะให้ด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วก็คัดสรรผู้ผู้ที่เป็นนาบุญนะเป็นต้นถ้ายอย่างนี้ก็ประมาณสักสิปีก็สบายก็ก็ต้นไม้ประเภทนี่นะคือบุญกุศลทั้งหลายมันก็เหมือนกับปลูกต้นไม้เพราะเมล็ดเนี่ยแหมถ้าหาว่าบางคนแหมจะทําเช้าเย็นจะขอผลเลยก็เหมือนบอกว่าเขาบอกไม้สักนะท่อนสรงไม้สักมันราคาสูงเอาไม้สักมาทําเฟอร์นิเจอร์ราคาก็แพงัการปลูกไม้สักเนี่ยมีกําไรดีงามมาก ชาวบ้านนอกคนหนึ่งมาฟังเออเข้าท่าก็เลยเอาเม็ดมล็ดพันุ์นี่มาเพาะลงในนาตัวเองนะเย็นก็รดน้ําชาวก็รดน้ําเย็นก็รดน้ำสามวันไปแล้วไม่เห็นมันมีทรงมาสักท่อดเลยในนาเนี่ยนะมันจะว่าไงอ่ะเขาบอกว่าทรงไม้สักมันดีมีราคาเนี่ยเมล็ดพันธุเนี่ยมันจะเพาะปลูกมาแล้วมันจะเป็นทรงมันบอกมันต้องเป็นร้อยปีละมั้งทําไม้สักนะนะจว่ามันจะเป็นไม้ทรงได้เอามาใช้งานได้ถ้าดินดีๆหน่อยก็สิบปีขึ้นไปนั่นแหละ พันการทําบุญให้ทานทั้งหลายเนี่ยบางคนมาทำเช้าจะรอเย็นทําเย็นจะเอาเช้าบอกถ้าทําไม่ถูกที่ถูกแหล่งถูกกับผู้ที่เรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติโดยมากใช้เวลาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะต้องรอเวลาใช้เวลาพอสมควรนะั่นแหละบุญจึงจะให้ผลแต่ถ้าบุญทําปั๊บให้ผลทัน ท, ทีเลยก็คืออริยมรรคทั้งหลายอันนั้นใช่แต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะแม้แต่พืชลมลุกเนี่ยนะก็ยังใช้เวลาตั้งหลายเดือนเช่นปลูกข้าว ปลูกข้าวเนี่ยเร า, พาเพาะเมล็ดพันธุ์หวานข้าวลงไปก็ไม่ใช่จะให้ผลได้ทันทีไม่ใช่ว่าแบบใจร้อนเหลือเกินเนี่ยนะเขาบอกว่าทํานาปีนี้โอ้ข้าวดีเหลือเกินก็เลยไปซื้อพันธุ์เมล็ดข้าวไปหวานเลย น, นะวันก็แล้ว2วันก็แล้วเดือนหนึ่งก็แล้วไม่มีวี่แววว่าจะได้เกี่ยวข้าวเลยงั้นนะจะว่าไงบางคนที่ไม่ไม่รู้เหตุรู้ผลก็ฉันนั้นเนี่ยนะถ้าไม่รู้เหตุรู้ผลก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมทําบุญแล้วบุญไม่ให้ผล ทำบุญมาตั้งมากมายทำไมบุญไม่ให้ผลบางครั้งเนี่ยก็ทำแล้วก็ไม่เป็นบุญก็มีเพราะว่าโมแต่ซื้อหน้าอยู่โมโมแต่ทำเอาหน้าอยู่เพราะว่าลักษณะธรรมเพื่ออย่างอื่นอยู่หวังผลอย่างอื่นแต่ว่านึกว่าตัวเองทำบุญไว้มากเนี่ยนะบุญนี้เขาร้องเรียกเอาจากอะไรก็จากเจตนาเนี่ยนะเจตนานั่นแหละคือตัวบุญทานเนี่หมายถึงตัวเจตนาถ้าหากว่าให้จนปราศจากความตรนีเป็นต้นนี่ก็สบายบังนะเธอไม่ลำบากในเรื่องของ วัตถุปัจจัยทั้งหลายพระเทระอง์นี้นี่แหละเนี่ยนะไปยังสถานที่ที่ให้ทานลว่าก็มีการประชุมใหญ่ทำบุญให้ทานครั้งใหญ่เนี่ยนะที่คิริพันฑะมหาบูชาที่เจติยบันพศท่านไปถึงท่านก็ถามว่าในเรื่องการทำบุญครั้งนี้มีอะไรเป็นของดีที่สุดอะไรเป็นของเลิศดีดีกว่าเพื่อนอ่ะนะก็บอกว่าผ้าสาดกสองผืน พติสาเทระก็พูดว่าผ้าสาดกสองผืนเหล่านั้นเนี่ยยังไงก็ถึงเราหมายความว่าของในที่ทำบุญนี้ทั้งหมดนะของดีที่สุดได้ผมอมมาทั้งหลายได้ฟังอย่างนั้นก็กราบทูนให้พระราชาฟังนะเหมือนว่าพระที่นะั้นขี้โมโหลเกินนะนะบาทิกษุรูปหนึ่งนะท่านพูดอย่างนี้โมมากบอกว่าท่านจะได้สองผืนเนี่ยพระราชาก็ตรัสว่าภิกษุนมมีจิตคิดอย่างนี้แต่ถึงยังไงผ้าสาดกเนื้อละเอียดผ้าดีมันก็คู่ควรแก่พระมหาเทระทั้งหลาย ก็ S <S <an itary> เลยหมายตั้งใจว่าผ้าที่ดีก็ต้องแบบองค์หัวแถวจะได้ผ้าชั้นดีอย่างนั้นเถอะเพราะรูปนี้ถ้าอายุสักสิบสี่บห้าพรรษาก็อายุสาสิบเศษเศษอายุสี่สิบถ้าเทียบกับพระที่มีอายุเจ็ดแดสิบเยอะๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยโอ้ท่าจะอีกไกลอย่างนั้นนะบวชต่ออีกหลายปีก็จะได้อย่างนั้นเสร็จแล้วพระราชาเนี่ยนะเมื่อจะถวายให้ภิกษุสงฆ์ที่ยืนเรียงกันก็ถวายผ้าสาดก สผืนที่วางไว้ใกล้ๆก็ไม่มาสู่ประหารสักทีไอคนที่ถวายเนี่ยหยิบไม่ถูกผ้าตัวนี้สักทีหนึ่งหยิบไปเรื่อยหยิบไปเรื่อยได้แต่ผ้าอื่นๆแต่พอไปถึงพระพิสุนุม่มชื่อติดสะเทระรูปนี้เข้าผ้าสาดกสองผืนก็ซึ้นขึ้นสู่มือพระหารเพ้าเธอก็วางผ้าไว้ในมือของพิสุนั้นเสร็จแล้วก็มองหน้าอามัดนะให้พิสุนุ่มนั่งแล้วก็ถวายทานเออในนี้มนั่งก่อนครับว่างั้นพิเศษเอ้ท่านพูดยังไง เสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็ทําบุญเสร็จก็ไม่สนใจพระพิสุส่งกลุ่มอื่นละมานั่งประทับนั่งใกล้ๆถามตรงๆว่าท่านบรรลุธรรมเมื่อไหร่นะโอ้ยถ้าอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดที่แรกว่าแล้วว่าจะได้ผ้าสองพื้นเนี่ยเป็นของอาตมาใช่ไหนะแล้วผ้ามันก็ได้จริงๆเแสดงว่าได้บรรลุแน่นอน